ทุกระดับเราจะพัฒนาประเทศชาติไปได้อย่างไรเพราะคนในชาติมันโง่ฮะปวดง่ายๆเอออะไรก็ไม่ทันเขาภาษาก็ไม่ทันเขาคณิตวิทอะไรไม่ทันเขาทั้งหมดสรุปแล้วก็คือคนในชาติไม่ได้รับการศึกษาที่ดี เ, เราจะพัฒนาประเทศชาติก็ไปได้ยากเพราะนั้นเราต้องเร่งพัฒนาคนในชาติให้เฉียวฉลาดให้ทันกับโลกเขา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 ลูกหลานทั้งหลายก็ามาเกี่ยวข้องกันถ้าเราเขาขาดเหลือขาดตกอะไรหลวงพ่อก็ให้เขาอย่างเพงดานโรงเรียนบ้านกล้องมันถลม่ม เ, เขาสั่งช่างมาซ่อมเสร็จแล้วทั้งที่เขาจะไปขอเงินงบประมาณทางหน่วยทางเขตกองเขา เ, เขาก็บอกหลวงพ่อสร้างให้หลายปีแล้วเพดานมันถลม่ม